เราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินสามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้หลุมอุจจาระพื้นต่ำน้ำจึงท่วมภิกษุทั้งหลาย